วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระบรมศ า, ศาสดาได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุทุกๆรูปอยู่จำพรรษากันคือให้อยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปด จนถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11เอเป็นระยะเวลาสมเดือนที่พระภิกษุจะจำเป็นจะต้องอยู่กับที่ไม่จะริกไปไหนมาไหนยกเว้นมีภารกิจฉุกเฉินจำเป็นสำคัญเช่นบิดามารดาอุปชาครูบาอาจารย์ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย ก็สามารถไปดูแลท่านได้หรือถ้ากุติสาลาเกิดชำรุดขึ้นมาจำเป็นจะต้องไปหาวัสดุมาซ่อมแซมก็ไปได้หรือญาติโยมศรัทธาทำบุญจะนิมนต์ไปงานบุญก็ไปได้ หรือถ้าสาธรรมิกนักบวชเพื่อนนักบวชเกิดมีความกระสันอยากจะลาศิกขาถ้าไประงับได้ก็อนุญาตให้ไปได้แต่ให้ไปไม่เกินเจวันเจคืนก็จะต้องกลับมาอยู่ต่อสาเหตุที่จำเป็นจะต้องให้พระภิกษุอยู่กับที่ เพราะในช่วงฤ ด, ดูฝนเป็นช่วงฤ ด, ดูที่ชาวนาชาวไร่กรำการเพาะปลูกปลูกข้าวปลูกพืชต่างๆเวลาที่พระภิกษุท่านจะลึกเดินทางไปไหนท่านก็เดินด้วยเท้าท่านก็มักจะเดินรัดทุ่งรัดนากันก็ไปทําให้ พืชที่เพิ่งปลูกใหม่นั้นเกิดความเสียหายได้ชาวบ้านเดือดร้อนจึงได้มากาบทูนพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วก็เลยมีคำสั่งพระบัญชาให้ระ ง, งับการจารึกไปไหนมาไหนของพระภิกษุ ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันจึงเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่จะหาที่อยู่หรือที่ปฏิบัติธรรมกันในช่วงฤดูเข้าพรรษานี้เป็นธรรมเนียมที่ชาวพุทธเราจะแสวงหาบุญกันจะ เร่งความเพียรกันจะปฏิบัติธรรมกันด้วยการตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานว่าจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างบางท่านก็อธิษฐานขอละงับการเสบบาบมุขต่างๆเช่นสุรายาเมา การเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูของละเล่นต่างๆจะขอระงับไว้ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันเพราะรู้ว่าเป็นความประพฤติที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียบางท่านก็ขออธิษฐานจะรักษาศีลห้าไปตลอด ทางพรรษาบางท่านก็ขอรักษาศีลแปดไปทางพรรษาบางท่านก็ขอบวชไปทางพรรษาก็ไปบวชเป็นพระบวชเป็นชีกันเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเพราะจะกำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจและจะสร้างความสุขต่างๆให้มีมากขึ้นไปจนถึงความสุขที่สูงสุดที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานเป็นมลมะมสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขอย่างใดในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขของพระนิพพาน พอผู้ที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วจะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปศาสตรบใดถ้ายังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานตราบนั้นก็ยังจะต้องมีการกลับมาเกิดในภพต่างๆต่อไปยกเว้นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆที่ถึงแม้จะกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดในภพที่ดี เช่นพระโสดาบันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจดชาติแต่จะไม่ไปเกิดในอบายโดยเด็ดขาดพระสกิณาคามีก็กลับมาเกิดอีกชาติเดียวส่วนพระอนาคามีนี่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอารหันต เข้าสู่พระนิพพานไปต่อไปนี่คือประโยชน์ของผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติการอย่างเค้่งคัดการอย่าง เ, าเต็มที่ปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ fee. การบรรลุมรรคผลนิพพานย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนอย่างในบทสวดบทพุทธคุณที่เราสวดกันสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน เป็นบุคคลที่จะได้รับผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือได้บรรลุพระอริยมักพระอริยผลสี่ขั้นด้วยกันขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ไม่มีทุกเพศทุกวัย มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งคารวะมีทั้งนักบวชมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่ปฏิบัตินี้ไม่ได้อยู่ที่เพศแต่อยู่ที่จิตใจจิตใจนี้ไม่มีร่างกายไม่มีเพศจิตใจนี้สามารถปฏิบัติได้ด้วยกัน ทุกคนไม่ว่าจะเป็นจิตใจของหญิงของชายของเด็กของผู้ใหญ่ของขารว่าท์ของผู้ครองเรือนสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะมีความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนหรือไม่อยู่ที่ว่ามีวิรยิยะอุสาหะ ความภาคเพียนหรือไม่อยู่ที่สามารถจ ะ, จะเจริญสติให้มีอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่อยู่ที่สามารถจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบอย่างเต็มที่ได้หรือไม่และอยู่ที่มีปัญญาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราได้หรือไม่ถ้ามีความสามารถที่จะสร้างความสามารถเหล่านี้ขึ้นมาได้ก็สามารถที่จะรับผลประโยชน์ของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ดังนั้นพวกเราชาวพุทธทุกคนจึงไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการเป็นเพศหญิงเป็นเพศชาย เป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สามารถบรรลุอริยามรรคอริยผลได้ด้วยกันทุกคนในสมัยพระพุทธการมีผู้ที่บรรลุอริยามรรคอริยผลเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกเพศทุกวัยมีทั้งนักบวชมีทั้งผู้ครองเรือน มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่จริงอยู่บรรดาของผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพานนี้ถ้าดูตามสัดส่วนแล้วนักบวชก็มีมากกว่าคารว่าผู้คลองเรือนผู้ชายก็มีมากกว่าผู้หญิงผู้ใหญ่ก็มีมากกว่าเด็กแต่ก็ไม่ได้เป็นเป็น เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยที่สำคัญที่มีด้วยกันทุกคนก็คือมีศรัทธาความเชื่อมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรมีสติมีสมาธิ <c oughs> และมีปัญญานี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน ของผู้ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้มีศรัทธาความเชื่อมั่นแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจ ส, สี่จริงเป็นผู้ที่จเจริญมาก ได้อย่างเต็มได้สมบูรณ์แบบเป็นผู้ที่ละตัณหากิเลสที่มีอยู่ภายในหัวใจได้หมดสิ้นไปจึงทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หายไปหมดทำให้พบชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันมีอีกต่อไปเพราะเหตุที่จะทำให้ จิตใจกลับมาเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือตันหาความอยากสามประการตามะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพะพาภ า, าะวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากไม่มีไม่เป็นคือความอยากไม่สูญเสียราบยศสรรเสริญสรรเสริญที่ได้มาไป ความอยากทั้งสามประการนี้จะทําให้จิตนี้กลับมาเกิดมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะพอร่างกายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ตายไปจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตที่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพะก็จะต้องมาหาร่างกายเป็นเครื่องมือ เพรว่าร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายที่จะสามารถรับรู้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้สามารถหาราบยศสรรเสริญสุขต่างๆได้จึงพาให้กลับมาเกิดกันด้วยความหลงคิดว่าการมีความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้อง เป็นวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นการสร้างความทุกข์มากกว่าการดับความทุกข์ความทุกข์นี้เกิดจากการที่ไปมีความอยากได้ลาบยศจลเสริญอยากได้รูปสิงกิรลดโภตภะมาเสษกันเวลาได้มาก็มีความสุขกันก็เลยคิดว่า เป็นความสุขคิดว่ากะมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์แล้วจะมีความสุขกันแต่เวลาที่ลาบยศสรรเสริญเวลาที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมไปเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์กันก็ไม่เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากการสูญเสียลาบยศสรรเสริญ สูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดโพธพภะกันก็พอเกิดความทุกข์กันก็รีบไปหาลาบยศสรรเสริญกันใหม่รีารูปเสียงกลิ่นลดโพธพภะกันใหม่เพื่อจะได้มีความสุขใหม่ต่อไปจึงทำให้ต้องหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดโทธพภะกันอย่างต่อเนื่องตายไปแล้วก็กลับมาหาใหม่อีก พอกลับมามีร่างกายก็จะต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย <c oughs> ทุกกับการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆที่รักที่ชอบไปอันนี้ตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพลาดพลาดจากกันตามมาอยู่เสมอก็จะต้องเจอกับความทุกข์ ทุรข้างไปเวลาที่มาเกิดความสุขต่างๆที่ได้มาก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปเหลือไว้อยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหลือแต่ความว้าเหวเศร้าซ้อยงอยเงาซึ่งเป็นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆผู้ที่มีปัญญา ก็จะเห็นว่าการการเสบรูปเสียงกลิ่นลดการเสบราบยศสรรเสริญเป็นการเสบความทุกข์กันเพราะราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นลดผลิภเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรเวลาหมดไปก็ความสุขที่ได้รับก็หมดไป ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีพราะพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ฉลาดพระองค์ทรงเกิดมาห้อมร้อมด้วยลาบยศสรรเสริญห้อมร้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพธภพชนิดต่างๆแต่พระองค์ก็มีปัญญาที่ทรงเห็นขอเห็นร่างกายที่เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเสพความสุขต่างๆ ว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไป เ, ยเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตา ย, เ, ยเวลานั้นความสุขก็จะไม่มีมีแต่ความทุกข์พระ อ, องค์ก็เลยสละความสุขทางลาบยศสรรเสรนทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วออกไปหาความสุขอีกแบบหนึง่ง คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบการที่ใจจะสงบได้นี้จำเป็นจะต้องมีความเพียรพยายามสร้างสติสร้างสมาธิและสร้างปัญญาขึ้นมาถ้ามีความเพียรที่จเจริญสติอย่างต่อเนื่องสตินี้จำเป็นจะต้องจเจริญอยู่ตลอดเวลาจำเป็นจะต้องมีอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปนี้ถ้าไม่มีสติแล้วใจจะลอยใจจะไหลไปตามความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วก็จะเกิดอารมณ์เกิดความอยากต่างๆที่จะทำให้ใจไม่สบายหงุดหงิดลำคาญใจที่จะทำให้ใจต้องไปหาลาบยศจละเสรนหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกกัน หาแล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์กันแต่ถ้าสามารถควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดถึงลาบยศสรรเสริญไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะได้ใจก็จะไม่มีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญเพราะใจจะมีความสงบ และมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพักเมื่อสามารถที่จะมีความสุขภายในตัวเองได้ภายในใจได้ใจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสใจก็เลยไม่ต้องไปสัมผัสกับความทุกข์ เวลาที่ลาบยศสรรเสริญเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสผลพพะจางหายไปใจก็จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนี่คือการตัดสรุของพระพุทธเจ้าการบรรลุ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงพบความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการบำเพ็ญความเพียร ในการเจริญสติในการเจริญสมาธิในการเจริญปัญญาพอพระ อ, องค์มีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาพระ อ, องค์ก็สามารถสร้างความสงบสร้างความสุขให้แก่ใจได้เลยไม่ต้องไปมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิดนด่นรสไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกาย <c oughs> เป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะสามารถหาความสุขได้ด้วยการมีสติสมาธิและปัญญาและเมื่อร่างกายอันนี้ตายไป ก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะสามารถอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบได้ไม่จําเป็นจะต้องไปหาความสุขภายนอกใจอีกต่อไปพระพุทธเจ้าก็เลยไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปหลังจากที่ทรงสเสด็จดับขันธ์ท้าวแลนิพาน สะละร่างกายละสังขารร่างกายไปพระไทยของพระองค์ก็อยู่ในพระนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด <c oughs> อยู่กับบรลมะสุขนิบานังปัลมังสุขขังนี่คือความศรัทธาความเชื่อของพวกเราในพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบความสุขที่แท้จริง ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆแล้วแล้วก็นมเอาคำสอนความรู้นี่มาเผยแผ่สั่งสอนก็ทำคำสอนก็เป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ศึกษาต่อผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความสงบ สุกภายในใจขึ้นมาโดยการสอนให้เจริญสติสมาธิและปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิปัญญามีความเพียรที่จะเจริญทำเหล่านี้ <c oughs> ใจก็จะสงบใจก็จะกาจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ผู้ที่ต้องการที่จะมีความสุขภายในใจจําเป็นจะต้องกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปให้ได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากทั้งสามประการคือการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจถ้ามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญา ก็จะสามารถกำจัด <c oughs> กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาต่อให้อยากจะกำจัดมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีกำลังที่จะกำจัดมันได้เพราะขาดสติสมาธิปัญญาที่จะเป็นตัวที่จะทำให้ใจมีกำลังมีความสามารถ ที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ทั้งหมดนี่คือศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราหมั่นมาฟังเทศฟังธรรมกันนี้ก็เพราะเรามีศรัทธาเวลาที่เราฟังธรรมแล้วเรามีศรัทธาเชื่อว่าเราได้รับประโยชน์เราได้รับประโยชน์หาประการด้วยกันจากการฟังเทศฟังธรรมคือหนึ่ง จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนสองถ้าทมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเราได้ฟังซ้าอีกก็จะทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เราสามารถกาจัด <c oughs> ความลังเลสงสัยต่างๆได้หมดเช่นความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ ว่าได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วนี่จริงหรือไม่จะไม่สงสัยถ้าได้ยินได้ฟังทมอยู่บ่อยๆจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วทั้งสิ้นนี่กิดศรัทธา นี่คืออ น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมการจัดความรังเลสงสัยทำให้เราเกิดความรู้ความฉลาดคือสัมมาทิฏฐิขึ้นมามีความเห็นชอบเห็น ม, มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกข์ของพวกเรานั้นเกิดจากการไปมีความอยากได้นาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสพจพภะมาเป็นสมบัติกันเพราะมันเป็นสมบัติชั่วคราว พอเวลาที่ลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นลดมีการพัดพาจากเราไปเวลานั้นความสุขที่ได้มาก็จะหายไปและสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆแต่ถ้าเราหยุดความอยากที่จะเสบลาบยศสารเสรนเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพากันได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์ เวลาที่ลาบยศสรรเสริญเวลาที่รูปเสียงกิน่นลดผลภะเสื่อมไปจางไปหายไปการที่เราไม่เสพสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องมีความสุขภายในใจคือมีความสงบมีความสุขที่ได้จากความสงบถ้าเราไม่ได้มีความสุขที่ได้จากความสงบนี้ <c oughs> เราจะไม่มีกำลังที่จะไปฝืนความอยากได้ แต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบเวลาเกิดความอยากเราจะมีความมีความสุขที่จะฝืนความหงุดหงิดลาคาญใจที่เกิดจากความอยากเสดรูปเสียงกลิ่นรสผพิตภัพต่างๆได้นี่คือปัญญาเราจะได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทุกของเราเกิดจากตัณหาความอยากและการที่จะ ละงับตัญหาความอยากต่างๆได้เราก็ต้องมีมรรคมรรคก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่เองเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีมีสติมีมีมีสติสมาธิมีปัญญามีความเพียรที่จะพยายามสร้างสติสมาธิปัญญาที่เรายังไม่มีให้มีขึ้นมา เมื่อเราเมื่อมีแล้วเราก็ต้องมีความเพียรที่จะคอยปกป้องรักษาสติสมาธิปัญญาที่เราได้มาแล้วไม่ให้หดหายไปอต้องเพียรรักษาเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาถ้าเรามีความเพียรแบบนี้เราก็เรียกว่าเรามีสุ ป, ปฏิปันโนเรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือ มีเราได้สัมมาทิฏฐิจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้ได้ความสงบสุขเวลาฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับเวลานั่งสมาธิว่าเวลาเราฟังธรรมเราฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเองร่างกายก็นั่งเฉยๆวาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จดจ่ออยู่กับ ทมที่มาสัมผัสกับหูแล้วก็พิจารณาด้วยใจพอพิจารณาฟังกับหูด้วยสติไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็สงบลงจิตก็ผ่องใสมีความสงบมีความสุขขึ้นมา <c oughs> นี่คือประโยชน์จากการที่เรามีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทำให้เราหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แล้วการที่เรามีศรัทธากับพระอริยสงสาวกคือพระที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้ท่านมีความรู้ความสามารถเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามีในเรื่องของการหยุดความทุกข์ต่างๆ ในเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดพระอริยสงสาวกนี้มีความรู้ความสามารถเหมือนกับพระพุทธเจ้าในเรื่องของการปฏิบัติให้ไปถึงพะนิ <c oughs> พานเพราะพระอริยสงสาวกทุกรูปนั้นท่านได้ไปถึงพะนิพานแล้วเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงพะนิพานของพระพุทธเจ้ากับพะนิพานของพระอริยสงสาวกนี้ ไม่ต่างกันเหมือนกันวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้ากับของพระอริยสงฆ์สาวกก็ไม่ต่างกัน <c oughs> เหมือนกันคือสามารถพาให้ไปถึงพระนิพพานได้เหมือนกันสามารถทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกันพวกเราจึงมักเข้าหาพระอริยสงฆ์สาวกกันถ้าเราได้ยินได้ข่าวได้ รู้ว่ามีพระ อ, อริยสงสาวกรูปนั้นรูปนี้ได้มาอยู่ที่นั่นที่นี่ถ้าเรามีเวลาว่างมีโอกาสถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลแสนไกลเราก็จะพยายามไปหาไปไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังคาสอนของท่านเพราะบางทีฟังเพียงคำสองคาก็ อาจจะสามารถทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเลยก็ได้อย่างที่มีชายคนหนึ่งได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าในระหว่างที่พระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่ชายคนนี้ก็กราบอราธนาขอให้ได้โปรดแสดงธรรมให้ฟังหน่อยพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธว่าเวลานี้เป็นเวลาบิณฑบาตไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาแสดงธรรม ชายคนนั้นก็ยังยืนยันขอโปรดให้ได้แสดงเพียงทำสั้นๆก็ได้คำสงคำก็อย่างดเออีเมื่อชายคนนั้นยืนยันพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่ามีเอ็นซีที่แก่กล้ามีความรู้ความสามารถที่จะสามารถรับธรรมที่สั้นๆได้พระองค์ก็เลยทรงตัดสอนว่า เธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเธอได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่าให้รู้รู้แต่ให้สักแต่ว่ารู้คือไม่ให้มีปฏิกิริยากับสิ่งที่ได้ยินได้เห็นได้รู้ไม่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัส ร, รับรู้ให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นพอทรงตัดสั้นๆอย่างนั้นชายคนนั้นก็เข้าใจ เกิดศรัทธาอยากจะขอบวชเป็นพระทันทีก็เลยขออนุญาตไปเตรียมบริขารอัฐบริการเพื่อจะไปบวชระ a ว่างทางนั้นก็ไปถูกกระทิงขิดตายพอความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้ธ ร, รมชาปนกิจและให้เก็บอัฐิของชายนั้นไว้ในสถุการสร้างสถุเพื่อเก็บอัฐินี้ เขานรยมสร้างไว้สาหรับพระ อ, อรหันต์เท่านั้นหรือพระพุทธเจ้าหรือพระมหาจากักรพรรดิเท่านั้นการที่จะให้สร้างสถูปเพื่อเก็บอัฐิของชายคนนี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองแนละว่าชายคนนี้ได้บรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์แล้วเพียงแต่ได้ฟังได้ยินทำสั้นๆเพียงคำสงคำเท่านั้นเองก็สามารถเข้าใจได้ พอพระพุทธเจ้านี้ทรงพูดถึงหัวใจของธรรมเลยเกิดให้สัตว์แต่ว่ารู้ไม่ให้มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เรารับรู้ไม่ให้ดีใจเสียใจไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงให้รู้เฉยๆรู้ว่าเขาเกิดแล้วก็ดับถ้าไปยุ่งกับเขาแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุ่ง ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเท่านั้นแหละแต่พวกเรานี้พอเห็นอะไรแล้วอดที่จะยุ่งไม่ได้เห็นเขาทาอย่างนู้นทําอย่างนี้ก็ลาคาญใจขึ้นมาเออึดอัจใจขึ้นมาอยากให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้แทนเออันนี้เรียกว่าเรายังไม่สักแต่ว่าเห็นยังไม่สักแต่ว่ารู้ถ้าเราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรเลยเอ นี่แหละคือหัวใจของการปฏิบัติหรือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อฝึกจิตให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้อย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้พอรักแล้วก็จะทำให้เราทุกข์ชังก็จะทำให้เราทุกข์กลัวก็จะทำให้เราทุกข์หลงก็จะทำให้เราทุกข์นั่นเอง ถ้าเราไม่อยากจะทุกเราก็ต้องสักแต่ว่ารู้ไปสักแต่ว่าเห็นไปสักแต่ว่าได้ยินไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีศรัทธาในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าะถ้าเราไปกราบพระอริพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ฟังธรรมของท่านนี้เราจะได้ปัญญาอย่างรวดเร็วและจะทําให้ การปฏิบัติของเราคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและดีไม่ดีอาจจะบรรลุทําได้ในขณะที่ฟังเลยนี่คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีในการที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้วก็คือเราต้องมี วิริยะอุตสาหะความภาคเพียรถ้าเรามีความเกียรติค้านแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะสร้างทมต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาได้เราจะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้การดับทุกนี้ดับด้วยวิริยะดับด้วยความเพียรหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร เพราะถ้าไม่มีความเพียรก็จะไม่มีการเจริญสติไม่มีการเจริญสมาธิไม่มีการเจริญปัญญานั่นเองเมื่อไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตก็จะไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆไม่สามารถที่จะทำให้ใจสักแต่ว่ารู้ได้พอ เห็นอะไรก็จะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจจะเป็นอุเบกขาใจจะสักแต่ว่ารู้จะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงกับสิ่งที่ได้รับรู้กับสิ่งที่ได้เห็นอันนี้จำเป็นจะต้องเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาสติก็ต้องเป็นสติที่เรียกว่ามาหาสติคือมีสติตลอดเวลาไม่พังไม่เผลอจิตอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่ลอยไปกับอดีตไม่ลอยไปกับอนาคตไม่ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆจิตจะอยู่กับความว่างโดยโดยโด ย, โดยหลักจะคิดต่อจะเมื่อมีความจำเป็นจะต้องคิด แต่ก็จะคิดด้วยสติคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยปัญญาถ้ามีสติระดับมหาสติแล้วก็สมาธิก็จะได้ระดับสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอย่างแน่นอนแล้วถ้ามีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิแล้วเวลาใช้ปัญญาปัญญาก็จะเป็นปัญญาระดับภาวนามายปัญญาเนี่ยต้องพยายาม เพียนให้ได้สติระดับมหาสติเพียนให้ได้สมาธิระดับอัปปนาสมาธิเพียนให้ได้ระดับปัญญาระดับภาวนามายปัญญาถึงจะสามารถที่จะกำจัดความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้ายังเป็นสติแบบล้มลุกคุกคานอยู่เป็นสมาธิแบบยังไม่เข้าถึง ฐานของจิตนี่ปัญญาที่ได้ยินได้ฟังได้พิจารณาก็จะไม่เป็นภาวนาเมาย์ปัญญาจะเป็นจินตไมย์ปัญญาหรือเป็นสุตตะเมยปัญญาปัญญาที่เราฟังกันอยู่ตอนนี้เรียกว่าสุตตะไมยปัญญาแต่ถ้าเรามี <c oughs> มีอัปปนาสมาธิแล้วเราเข้าใจว่า การที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจะต้องสักแต่ว่ารู้ถ้าเราสามารถทําใจให้เราสักแต่ว่ารู้ได้กับสิ่งต่างๆที่เราจะต้องสัมผัสรับรู้ <c oughs> เราก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะสุตสมยะปัญญานั้นจะกลายเป็นภาวนามายะปัญญาทันทีเหมือนกับที่ชายคนนั้นฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าธรรมที่ได้ยินนี้เป็นสุตสัมมยะปัญญา แต่พอเข้าไปในใจนี้มันกลายเป็นภาวนามายะปัญญาเพราะใจของชายคนนี้มีอปปนาสมาธิอยู่แล้วพอน้อมเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ก็สามารถทำใจให้ศัก์แต่รู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำได้ทันทีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาเจริญกันมาสร้างกันคือเราต้องมาสร้างศรัทธา คามเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเชื่อแล้วเราก็จะสามารถสร้างความเพียรได้เพราะเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้ากรดีเ็นพระอรรถอริยสงสาวกกระดีเราก็จะเห็นความเพียรของท่านเราก็จะเห็นความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านถ้าเราอยากจะได้ผลเหมือนกับที่ท่านได้รับเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับท่าน เราก็ต้องบําเพ็ญเพียรอย่างเต็มร้อยเหมือนกับที่ท่านได้บําเพ็ญเพียรก่อนหน้านั้นก่อนที่ท่านจะไปบวชท่านก็เป็นผู้ครองเรือนเหมือนพวกเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระราชโอรสเนี่ยพระสาวกทั้งหลายก็เป็นบุคลาวาตผู้ครองเรือนมีฐานะต่างกันมีทั้งเศรษฐีมีทั้งคนธรรมดาสามัญมีทั้งคนยากคนจน <c oughs> แต่พอได้สัมผัสกับพระธรรมคาสอน ของพระพุทธเจ้าได้เห็นการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกก็เกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามก็เลยมีสุ ป, ปฏิปันโนกันขึ้นมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่ให้เผล อ, อเพียนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปเวลาว่างไม่ต้องทําอะไรก็นั่งสมาธิ ให้จิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเป็นอัปปนาสมาธิ <c oughs> แล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ใชความคิดพิจารณาไปในทางปัญญาพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพิจารณาว่าเวทนาความรู้สึกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงถ้าอยากให้มันเป็นของเรา พิจนาลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงถ้ามีปัญญาสนับสนุนด้วยอัปปนาสมาธิก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆในลาบยศสารเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผลตภะได้ตัดความอยากในร่างกายได้ตัดความอยากในเวทนาได้ ตัดความอยากในธรรมอารมณ์ต่างๆได้ <c oughs> เมื่อตัดความอยากต่างๆเหล่านี้หมดสิ้นไปใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็มีแต่ความสุขความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดภ <c oughs> พชาติต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหมดสิ้นไปจะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ภารกิจต่างๆที่เคยได้ทำไว้ก็จะไม่ต้องทำอีกต่อไปภารกิจในการเจริญสติไอการเจริญสมาธิในการเจริญปัญญาก็ไม่ต้องมีอีกต่อไปเพราะว่าสามารถเพราะว่าทาได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วสติสมาธิปัญญาที่เอามาใช้ในการกำจัดตัณหาความอยากต่างๆก็ได้กำจัดหมดสิ้นไปแล้ว ถ้าเป็นเหมือนยาก็ไม่ต้องรับประทานยาแล้วถ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วยานี้เข้าไปทำลายเชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพอเชื้อโรคต่างๆถูกยาทำลายไปหมดแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปเมื่อหายไปแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาอีกต่อไป การสร้างการมีความเพียรในการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาก็มีจุดที่เราจะหยุดไม่ต้องทํากันถ้าเรากําจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้แล้วทําใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเพียรเจริญสติ เพียนเจริญสมาธิเพลียนเจริญปัญญาต่อไปการเดินจงกรมนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยาสาวกนี่ไม่ได้เป็นการเดินเพื่อสร้างสติสมาธิและปัญญาหรือเพื่อเอามาทําลายกิเลสตัณหาต่างๆเป็นการผ่อนคลายเป็นอริอรยญาตาบทของท่านนั่นเองเมื่อนั่งนานๆเมื่อกระลุก ข, ขึ้นมาเดินเมื่อเดินแล้วเมื่อก็กลับไปนั่ง เป็นการเพียงแต่พักผ่อนร่างกายและจิตใจเท่านั้นไม่ได้เพียงแบบสมัยที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่้ามีกิเลสตัณหาต้องเพียรพยายามต่อสู้กับกิเลสตัณหาทุกรูปแบบเวลากิเลสตัณหาหลบซ่อนอยู่ก็ต้องคุยเคีย่ยวค้นหามันจนไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในจิตในใจแล้วภารกิจนี้ก็สิ้นสุดลง เรียกว่าวุตติตังบ ร, รมจาริยังภารกิจในพรหมจารย์นี้ได้ถึงที่สิ้นสุดแล้วเมื่อกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ถูกทําลายไปหมดแล้วเมื่อใจได้สะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานแล้วใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และจากการที่เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันในช่วงที่เข้าพรรษานี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเราเริ่มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันผลก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับแล้วก็จะทำให้เรามีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปออกพรรษาแล้วเราอาจจะยังต้องการปฏิบัติต่อไปอีก เพราะเราเห็นคุณประโยชน์ที่เราได้รับจากการปฏิบัติเราจะปฏิบัติไปจนกว่าที่เราจะไม่ต้องปฏิบัติจนกว่ากิเลสตัณหาจนกว่าความทุกข์ต่างๆที่ไม่มีอยู่ภายในใจของเราได้หมดสิ้นไปแล้วเท่านั้นนี่คือเรื่องของการอยู่จำพรรษากันมาเพียรสร้างสติกันมาเพียรสร้างสมาธิกัน มาเสียงเพียรสร้างปัญญากันอย่าไปเพียรสร้างลาบยศสรรเสริญอย่าไปเพียรสร้างรูปเสียงกลิ่นลดเพราะมันเป็นการเพียรสร้างความทุกข์กันที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรหรอกทุกข์เพราะการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดไปนั่นเองต่อให้เราหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องสูญเสียมันไปเราต้องพัดท่าจากกันไปนั้นเพียร เพียนสร้างลาบยศ ส, สรรเสริญเพียนสร้างรูปเสียงกลดดาาิ่นรสผลทพะนี้เป็นความเพียนที่ผิดเรียกว่ามิจฉาความเพียนที่ไม่ถูกต้องเพราะจะนําไปสู่ความทุกข์นําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดแต่การเพียนสร้างสติสร้าง ส, สมาธิสร้างปัญญานี่แหละจะเป็นการเพียนที่ถูกต้องจะเป็นการนําไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลาย ดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้ก็อยากจะชักชวนให้ท่านทั้งหลายได้มาเพียรปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันตามกำลังของแต่องแต่ละท่านมีมากมีน้อยจะเพียรปฏิบัติทำข้อใดข้อหนึ่งได้มากได้น้อยก็ขอให้เพียรทำกันว่าเมื่อทำแล้วผลก็จะเกิดถ้าไม่ทำผลก็จะไม่เกิด ถ้าไม่มีผลก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าจะไม่มีศรัทธาไม่มีความอุตสาหะความยินดีที่จะปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้รับผลแล้วผลนี้จะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนทำให้เราสามารถปฏิบัติได้เต็มเต็มร้อยเต็มรูปแบบ และสามารถทำให้เราบรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงกันนี่คือวิถีทางเดินของชาวพุทธเราอยู่ที่การมีศรัทธาในพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงค์แล้วก็น้อมนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงค์เอาคำสอนนี้มาปฏิบัติมาเพียรปฏิบัติมาปฏิบัติด้วยความเพียรมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกัน มาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญากันแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นมาตามลำดับต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาท้าวาริวาหาปูราปาริภเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเเมวะสมิจจตุสัเพปเรนตุสังกบ a จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัชานตุสั a ปะโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครอยากจะถามคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยไปจนถึงเวลาที่เราเลิกกันพอหลังจากที่เลิกแล้วก็ขออนุญาตหยุดถามอย่ามาถามตอนที่เลิกเพราะจะไม่ได้ตอบอวันนี้ไม่ทราบทาง Facebook เข้ามากันมากไหมวันนี้วันนี้ไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยครับอาจารย์ก็คงไปต่างจังหวัดกัน ไม่สะดวกรับสัญญาณ YouTube ก็ไม่ถึงสี่สิบห้าสิบคนครับาจารย์ก็ถ้าไม่ยังไม่มีคำถามก็จะให้คำถามทางทางบ้านที่ส่งข้อความเข้ามาให้ถามกันก่อไปก่อนคำถามจากผู้ฝากถามนะครับถ้าทำอัปปนาสมาธิไม่ทันในชาตินี้ผมพิจารณาทำ ที่ละสังโยชน์สามข้อแรกได้ไหมครับพิจารณาได้แต่มันจะไม่เป็นภาวนาเมยปัญญา <c oughs> มันจะเป็นจินตามัยปัญญาพิจารณาแล้วก็ตัดไม่ได้ละไม่ได้เพราะกำลังสู้สู้สังโยชน์ไม่ได้สังโยชน์มันมีกําลังมากกว่าแต่ทําได้ถ้าจะทําจริงๆอับ ป, ปนาสมาธิมันยากตรงไหนเอเราไม่ทํากันเท่านั้นเองเอ พระพุทธเจ้าก็รับประกันแล้วเจ็ดวันก็ได้บางคนไม่บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีเหมือนกับที่เราไปเรียนตามมหาลาัยต่างๆเขาก็รับประกันถ้ามาเรียนทุกวันสี่ปีจบแน่ๆอืแต่ถ้าวันปีหนึ่งมาสักสองสามครั้งนี่รับรองไม่จบแต่ปีหนึ่งนั่งสมาธิวันหนึ่งนั่งสมาธิแค่ครึ่งชั่วโมงเนี้ยรับรองมันไม่มีวันที่จะได้อ่ะ ถ้าอยากจะได้ต้องเป็นแบบนัก บ, บวช <c oughs> ก็ฝึกสติทั้งวันแล้วก็นั่งสลับกับเดินแต่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็ได้มันมีมันมีเหตุแล้วผลมันก็ต้องมาที่ผลมันไม่มาเพราะมันไม่มีเหตุที่ทำให้มันมาผลก็คือการเจเริญนสติอย่างต่อเ น, นื่องมันไม่ทำกัน <c oughs> มัวปล่อยให้ใจไปตามความคิดต่างๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เกิดความโลภเกิดความอยาก แล้วก็ไปยุ่งกับเรื่องต่างๆแล้วมันจะได้อัปปนาสมาธิยังไงแต่ถ้าไปเปรีกวิเวกอยู่คนเดียวไปควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดคิดก็ไม่ไปคิดกับมันเราก็คิดกับพุทโธของเราไปพุทโธพุทโธงไปเดี๋ยวนั่งสมาธิก็ได้ห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมได้ถ้ามีสติแล้วสมาธิมันหนีไม่ได้หลอกเพราะสมาธิมันเป็นลูกของสติถ้าสติมาปั๊บลูกก็ต้องมา ถ้ามีพ่อมีแม่เดี๋ยวลูกก็ต้องตามมาอย่างแน่นอนฉั้นขอให้เราพยายามเจริญเหตุกันเถิดอย่ามัวแต่นั่งคิดปรุงแต่งกันว่าถ้าไม่ได้แล้วจะได้อย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่ายิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งไปเปล่าๆต้องการให้หยุดคิดแต่กิเลสมันชอบหลอกให้เราคิดะมันถึงหลอกให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่เราหยุดความคิดเสอย่างกิเลสมันยอมแพ้มันหยุด จากคุณหมวกฟางนะครับความคิดถึงนี้จะทําอย่างไรให้หยุดคิดได้พิจารณาอสุภะหรือความตายแล้วทําไมยังไม่หายคิดถึงคะก็ยังมาคิดไม่พอไงคิดยังไม่ถึงแก่นของมันเอถ้าคิดถึงแก่นตอนนี้คิดอยู่แต่มันไม่จริงกับความคิดมันยังคิดว่าเขายังไม่ตายยังคิดว่าเขาสวยอยู่แต่ถ้าคิดถึงแก่นเราจะเห็นว่าเขาไม่สวย เขาไม่น่าดูเลยก็เป็นเหมือนซากศพมันพอถึงแก่นมันถึงใจคือพออะไรถึงใจแล้วมันมันมันเข้าใจมันเห็นแต่ยังไม่ไม่ไม่ไม่ถึงใจมันก็ไม่เข้าใจบางทีเราไปถามทางเขาบอกเขาบอกไปทางนู้นทางนี้แล้วก็ฟังเออเออเอไปแต่ไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้ตั้งใจฟังเพราะร้ฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็เลยไม่ไม่ถึงใจนะแต่ถ้าฟังถึงใจแล้วมันจะจาได้ทันที เพียงก็ต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารพิจารณาไปจกนกระทั่งมันลอ้องอ๋ออ้าจริงด้ว่อไม่สวยจริงๆเป็นซากศพจริงๆนถ้ามาถึงอย่างนั้นแล้วมันก็จะตัดได้อย่างอย่างแน่นอนจกคุณพอใจเลยพอใจนะครับนั่งสมาธิแล้วมีอาการสงบนิ่งรับรู้แต่ไม่ปรุงแต่งรู้เฉยๆแม้แต่เสียงปจุดพลุงานศพจากวัดแถวบ้าน ก็ไม่มีอาการสะดุ e ้งของจิตแบบนี้ใช่อัปปนาสมาธิหรือเปล่าคร magic, to to ับก็จะเข้าใกล้แล้ว claro> มั้งถ้าอัปนาสมาธิจริงๆนี่มันก็จะเฉยกับทุกอย่างหรือบางทีร่างกายก็หายไปจากการรับรู้เลยเหลือแต่ตัวผู้รู้อยู่ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้อันนี้จะเป็นอัปปนาสมาธิจริงแล้วก็จะไม่มาถามว่าเป็นอัปปตาสมาธิหรือไม่ถ้ามาถามนี้มักจะไม่ใช่เอ ถ้ามันเป็นแล้วมันจะร้องอ๋อมาโอ้อสุขเนอะความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันเป็นอย่างนี้เองจะไม่ถามถ้ายังไม่ถึงความสุขตัวนี้แล้วมันก็ยังไม่ใช่มันอาจจะคล้ายๆว่าเป็นหนังตัวอย่างแต่ยังไม่ถึงตัวจริงจะคุณจุธาทิพย์นะครับตอนนี้มีเวทนาทางกายมากการควบคุมความคิดทำได้บ้างนั่งสมาธิเห็นเวทนาห่าง แต่ยังไม่รวมหนูควรทำอย่างไรกับเวทนาทางกายต่อไปคะเวทนาทางกายเราทำอะไรไม่ได้เราต้องปล่อยเราต้องสักแต่ว็รู้ไปมันเกิดก็รู้มันเกิดมันตั้งอยู่ก็รู้มันตั้งอยู่มันดับก็รู้มันดับไปอย่าไปอยากอยากเราจะทำให้ทรมานใจความทุกข์ร่างกายมันไม่รุนแรงเท่ากับความทรมานใจที่เกิดจากความอยากถ้าเราควบคุมความอยากได้เราจะอยู่กับความทุกข์ทางร่างกายได้อย่างสบาย จากคุณกนุษสนันนะครับเวลานั่งสมาธิมาถึงจุดหนึ่งรู้สึกสว่างเจ้ารู้สึกเหมือนตัวเอ็เอลอยๆอาการแบบนี้เป็นปกติหรือเปล่าเช้าคะก็เป็นไปได้บางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นก็สำคัญก็อย่าไปสนใจให้กลับมาบริกรรมต่อให้มาภาวนาต่อถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปพุทโธก็พุทโธต่อไปเพราะนี่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของเราเป้าหมาย สุดท้ายของเราก็คือความว่างความสงบสักแต่ว่ารู้และความสุขอันยิ่งใหญ่จากคุณออกแลนนะครับนั่งสมาธิไปได้หนึ่งชั่วโมงรู้สึกนิ่งและรู้สึกเหมือนร่างกายท่อนล่างจากเท้าถึงสะโพกไร้ความรู้สึกแต่ไม่เจ็บปวดอย่างนี้คืออะไรควรทำอย่างไรต่อไปครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลานั่งสมาธิจิตก็จะ <c oughs> ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งร่างกายร่างกายจะชาจะเจ็บตรงไหนก็ไม่เป็นปัญหา อ, อก็นั่งต่อไปนั่งให้นานานานนั่งให้มันถึงจุดที่ร่างว่าอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้เองความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นอย่างนี้เองคําถามต่อไปอขอถามแทนผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะครับผู้ปฏิบัติต้องเข้าปฏิบัตินะสถานปฏิบัติธรรมแต่ผู้ปฏิบัติชอบนั่งสมาธิแต่ห้องข้าง อ่าชอบสวดมนต์ทำให้ผู้ปฏิบัติไม่มีสมาธิในการทําสมาธิครับอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรครับก็ไปที่อื่นเลยไปที่ไม่มีใครเข้าสวดไปที่ที่เขาปฏิบัติเหมือนกันถ้าไปอยู่ที่เขาสวดก็ต้องสวดกับเขาถ้าเขาสวดเรานั่งมันก็จะรบกวนกันยนั้นแสดงว่าเราไปผิดที่หรือเข้ามาผิดที่ก็ลองเจรจากันหรือว่าใครจะอยู่ใครจะไปถ้าเขาจะอยู่เราก็ไป ถ้าอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่เจริญอยู่ไปทำไมเสียเวลาเปล่าๆจากคุณหมูนะครับผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคามีโดยได้ความสงบในระดับปฐมยานทุติยยานตาติยยานคือยังไม่ได้อัปปนาหรือฌานสี่นั่นมีหรือไม่ครับก็ไม่ได้ไปสำรวจดูนะก็ไม่รู้ ถ้าฟังโดยหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ท่านก็ทรงแสดงว่าสมาธิสนับสนุนปัญญาและสมาธิที่พระเจ้าทรงแสดงก็คืออัปปนาสมาธิานั้นจะจะจะถึงนั่นหรือไม่ถึงนั่นแล้วบรรลุได้หรือไม่ได้นี้เราก็ไม่รู้กันถ้าบรรลุได้ก็ก็ดีก็ไม่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเพียงแต่เป็นการแสดงหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เป็นมาตรฐาน แต่ถ้าเราเป็นคนนอกม า, มาตรฐานเราสามารถที่จะบรรลุได้โดยไม่มีสมาธิก็ขออนุโมทนาด้วยไม่เป็นปัญหาเลยจะุทวิชานะครับ <c oughs> การภาวนาคือการดูลมหรือการท่องพุทโธแค่นี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวิธีสองวิธีด้วยกันดยมีีอีกหลายวิธีการพ ภ, ภาวนานอกจากดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธ ก็มีการระลึกถึงอาการต่างๆของร่างกายก็ได้ระลึกถึงความตายก็ได้ระลึกถึงซากศพต่างๆก็ได้อันนี้ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันจะคุณณพลนะครับ<ม>เคยฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าเจตนาที่แท้จริงของการนั่งสมาธิเพื่อเป็นการพักจิตเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบแล้วการที่เราอยากรู้ลำดับขั้นของสมาธิจะทาให้เป็นการขวาง การเข้าสู่ความสงบหรือเปล่าครับเพราะใจเรามัวแต่สงสัยว่าเราทําสมาธิถึงขั้นไหนเวลาทําไม่ให้สงสัยไม่ให้ไปกังวลแต่เวลาไม่ได้ทําก็สามารถมานั่งอา่านนั่งศึกษาได้แต่เวลานั่งเพื่อทําใจให้สงบนี้ต้องหยุดความคิดต่างๆให้หมดหยุดความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆให้หมดให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวมีอะไรมาปรากฏก็ไม่ต้องไปสนใจรักรู้รู้แล้วกกลับมา สักต่วารู้แล้วก็กลับมาภาวนาต่อ <c oughs> จากคุณเพนสีนะครับขณะกําลังนั่งสมาธิบางวันจะมีอาการตัวสั่นอีกแต่ไม่ได้มีอาการนี้ทุกวันค่ะกําหนดรู้ก็ไม่หายเลยได้แต่ตามรู้ไปจนหายเองตัวสั่นสลับกับปวดขากําหนดจนอาการปวดหาย ตัวก็กลับมาสั่นอีกคะ่ะอาการนี้ลูกต้องทําอย่างไรถึงจะหายคะรู้สึกกลัวไม่ทราบว่าเป็นโรคเอ่อโรคสั่นหรือเปล่าถ้าเป็นโรคสั่นก็ต้องไปหาหมอถ้าเกี่ยวกับทางร่างกาย <c oughs> ถ้ามันได้เป็นโรคแล้วสั่นก็อาจจะเป็นเพราะสติไม่มีปล่อยให้ใจไปเขย่าร่างกายมันก็เลยสั่นขึ้นมาแต่ถ้ามีสติเฝ้าดูจิตควบคุมจิตนี่มันจะไม่สามารถที่จะไปทําให้ร่างกายสั่นได้ ร่างกายจะนิ่งจะสงบจะเฉยนั้นก็มกีมีสองอย่างถ้าเป็นโรคทางร่างกายเป็นโรคสัน่นเช่นเขาเรียกโรคอการ์คินสันเนี่ยมือไม้สั่นเนี่ยก็ต้องไปหาหมอให้หมอเขาหายาจัดการให้แต่ถ้าไม่ได้เป็นโรคทางร่างกายแล้วสัน่นเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิก็เป็นเพราะว่าสติเรามีกำลังไม่มากพอที่จะควบคุมใจ พอใจพอนั่งแล้วใจก็เริ่มแสดงปฏิหารเรื่องเรื่องออกฤทธิออกเดดต่างๆขึ้นมาเหมือนคนเข้าทรงเนี่กันถ้ามีคนมานะบอกเข้าทรงว่าก็จะหลงเชื่อเลยว่าโอ้ในการสั่งคือการเจ้าเข้ามาแล้วมีเจ้าเข้ามาแล้วเอรีบรับเจ้าเสียิอันนี้ไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของอาการไม่มีสติที่จะคอยควบคุมใจตอนนี้เรา มีสติพอที่จะควบคุมใจได้เราจึงนั่งเฉยๆกันได้แต่พอเรานั่งสมาธินี่บางทีแทนที่จะมีสติกับปล่อยไม่มีสติก็เลยปล่อยให้ร่างกะใจมันผลิตอาการสั่นต่างๆขึ้นมาจะคุณนับผลนะครับเมื่อเราพักจิตบ่อยๆเมื่อจิตมีกำลังแล้วเราค่อยออกมาเดินปัญญาโดยพิจารณาอสุภะอสุพังเช่นนี้ดีหรือไม่ครับหรือพิจารณาจนจิตอ่อนล้า อ่อนเพียแล้วค่อยเข้าสมาธิใหม่เพื่อพักให้จิตมีกําลังแล้วค่อยพิจารณาต่อก็ได้ทั้งสองอย่างมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างมันก็ต้องพักเวลาที่ทํางานเสร็จแล้วก็ต้องพักจะพักตอนที่ยังไม่เมื่อยเลยจะพักตอนที่เมื่อยก็สุดแท้แต่ทําพักตอนที่ยังไม่เมื่อยมันก็ยังสามารถทํางานได้ก็ไม่ทําก็ทําให้งานจ้าช้าลงไป ถ้าทำไปจงกระทั่ ง, งทำไม่ไหวแล้วค่อยไปพักงี่งานมันก็จะไม่ล่าช้าเพราะเราจะได้ทำได้อย่างเต็มที่จะคุณอ้อ น, นะครับถ้าไม่จุดทูบแต่จุดเทียนอย่างเดียวได้ไหมคะเพราะจะแสบตามากเวลานั่งสมาธิจะทาให้ลูกไม่มีสมาธิอ๋อไม่ต้องจุดอะไรเลยก็ได้ไม่ต้องทูดไม่ต้องเทียนอันนี้เป็นเพียงองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบท่านั้นที่เป็นเพียงเปลือก มีก็ได้ไม่มีก็ได้เวลานั่งสัสพภาวนาเวลาพระพุทธเจ้าตัดสร้นี้ไม่ได้จุดทูกเทียนนะแล้นนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนี่ไม่มีทูกไม่มีเทียนในธรรลาไม่ได้เขียนไว้ว่าท่านจุด ท, ทูกสามดอกจุดเทียนสองดอกแล้วก็นั่งแล้วก็กตัดสรู้มันไม่มีหรอกนะขอให้มีสติถ้าจะจุดก็จุดสติอย่าไปจุดอย่างอื่นจุดสติตัวเดียวให้มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วรับรองได้ เวลาภาวนาจะได้ผลดีจะคุ้นชินนะครับการที่เราเกิดวิภวะตันหาไม่อยากเป็นตามที่พี่น้องเขาอยากให้เราเป็นและไม่อยากทําตามที่พี่น้องเราจะทําอย่างไรจึงจะไม่ให้เสียน้ําใจก็บางอย่างมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเขาให้เราไปเป็นโจรนี่เราอยากจะเสียให้เขาไม่เสียน้ําใจหรือเปล่าเราถ้าไปเป็นโจรแล้วไม่เสียน้ําใจแล้วแต่เราเสียตัวเราเราก็ต้องเลือกกันแล้วว่าเราควรจะเสียอย่างไร ถ้าไม่อยากจะให้เขาเสียใจก็ไปเป็นโจรนะจากคุณยั่งยืนนะครับผมทำงานเลี้ยงไก่นายสั่งวางยาเบื่อหนูดักแมลงวันเราจะมีวิธีหลบหลีกได้อย่างไรผมไม่อยากค่าสักก็ลาออกไปหางานอื่นทำนะตอนตอนตอนี้คำถามหมดครับอาจารย์ก็หมดเวลาพอดีเนี่ยอันนี้พอดีคนมาถวายของเยอะ วายเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าก็เลยเวลาที่จะถามตอบก็เลยมีน้อยหน่อยก็พอสมควรพอหอมปากหอมคอก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ